อืเขาบอกว่าบทเป็นเนนเนี่ยสมัยหลวงพ่อบทเป็นเนนตอนเป็นเด็กเนี่ยบทเป็นเนนหลายครั้งนะปู่ตายก็บทจุงให้ตาตายก็บทจุงให้ยายตายก็บวทจุงให้ย่าตายก็บทจูงให้พ่อตายก็บทจูงให้บทจังหลายครั้งบทคณะ อ่าวันเจ็ดวันสิบวันก็เลยอนนี้สงฆ์ก็รวมกันทีเล่นนิดๆพ่อเลยได้บทยาวเลยเนี่ยอันนี้แด้วนนี่สงมันเยอะเขาบทบ่อยคนไหนใจก็บทให้เหมนกัน <c oughs> ก็เลยพอได้บทจริงก็เลยอันนี้สงฆ์มนหนุนยาวทีนี้เขาบอกว่าบทเป็นเน้นเนี่ยสามารถโปรดแม่ยกแม่ขึ้นจากนรกได้ถ้าแม่ตกนรกนะ แต่บวชเป็นพระถึงจะไปปลดพ่อออกจากนรกได้ถ้าเป็นเนยยังปลดไม่ได้ต้องบวชเป็นพระธรรมเนียมทางทางเหนือเขาเชื่ออย่างนั้นทีนี้หลวงพ่อก็สงสัยว่าทำไมเนยปลดพ่อไม่ได้้ปลดแต่แม่ทีนี้พอบวชเนยแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมทางเหนือนี่เขาจะให้อยู่กรรม เ, เราอยู่กรรมนั่งสมาธิสามวัน <c oughs> อย่างสำรวมระวังเลยนะฉันเข้ามือเดียวแล้วก็นั่งภาวนาแต่ถ้าเป็นพระนั่นเขาให้ภาวนาเจดวันถ้าเป็นสมเด็จให้ภาวนาสามวันเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทีแต่ละวันที่นั่งภาวนาเนี่ยเขาไม่ได้นั่งยกมือ เ, เขาจะนั่งนับลมหายใจเขาจะมีลูกประคำลูกปคํอยางี้ตกรูประคำแขวง แขวนคอข้องคอนะเคยเห็นไหมเวลาพระทางเหนือเขาเจะใ ส, ส่รูปกับคำส้นใหญ่ใช่ไห ม, มเขาเก็จะมานับกิโลเมตรเอาบทอะไรมา อ, อิติปิโซภระขะวาอะระหังจนครบอะ่ะอย่าสมมติว่าเป็นวงขนนี้ใช่ไหมครบ108ร้อยแปดเม็ดพุทโอภควาติถึงตรงไหนก็จำเอาไว้เอาเอาหินมาเม็ดนึงวางไว้ตรงนี้ว่ า, าสแสดงว่าหงรอบนึงต่อ สวาขาตูพระคะภวะตาธรรมโมสันทิทิโกถ้าหลงไปเนี่ยตั้งน้ำใหม่นะตั้งต้นใหม่เลยเไม่ให้หลงนะฮะอากาลิโกครบจบร้อยแเม็ดก็เอาหินมาอีกเม็ดหนึ่งบางทีเอาบทอื่นบ้างอัชะมะยาอะปั จ, จเวคิดตะวา ตังปะริคุณตังปะยังเศยังจิวรังปะติเสวามิไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนจบก็ได้รอบหนึ่งก็ได้อีเมจหนึ่งทำอย่างเงี้ยวันหนึ่งหลวงพ่อวันหนึ่งถ้าได้พันหนึ่งก็ให้ให้ตาไปพันหนึ่งพรุ่งนี้เอาให้ยายก็เอาอีกสองพัน วันต่อไปเอาให้ปูห้าฟันอย่างงี้ยนยะ <c oughs> แล้วแต่เจ้าจะให้ใครเท่าไหร่ที่นั่งไปนั่งมาเนี่ยพอนั่งจิตมันนิ่งใช่ไหมเป็นเด็กอะขณะนี้แหละเด็กมันนิ่งแล้วก็เข้าสมาธิได้เลยนี่นิ่งนิ่งดับไปเลยนะพอตื่นขึ้นมานี่มดขึ้นเต็มเลยนะ <c oughs> มดขึ้นตัวมันไม่กัดนนะมันขึ้นอ่าก็เลยพอครบสามวันมา จะเดินไปที่ไหนนี่ไม่ใช่เดินวิ่งวไปนะต้องเดินว่าสัเบเพสัตตาเวลาอ ะ, ะยาปชาไม่ให้ไปเหยียบสัตว์ต้องแห่เมตตาไปเรื่อยๆแต่ให้อ ะ, อะไรที่เราเหยียบจะเป็นมดเป็นแมงเป็น <c oughs> ปลวกเป็นมอดเป็นอะไรก็ตามกลัวว่าจะไปเหยียบเหยียบแล้วก็จะเป็นบาปเงี้ยพ่อตั้งใจทำอย่างดีพอครบสามวันในทางเหนือเขาจะให้เทศ เทศกันอา น, นิสง์ที่เทศเราเป็นเนนแล้วก็เทศปากเปล่าไม่ได้ก็เอาคัมภีมาอ น, นิสงก์การบทเนรตอนนั้นหลวงพ่อบวชด้วยกัน2 อ, อรูปนะก็เทศคนละมุมองหนึ่งกระเทศให้ญาติของตัเองกลุ่มนนท์ทางนี้ก็เทศให้ตัวเองญาติของตัเองกลุ่มนี้ทีนี้วันเขาเรียกวันออกกรรมวันที่3ามเก็จะต้องมาเทศให้พวกญาติพี่น้องฟัง ทีนี้สาระตรงเทศว่าไงเรื่องของทิเทศก็จะทำอ น, นิสงส์การบวชเนนในคําเทศก็มีเรื่องเล่าว่าการบวชเนรมีอ น, นิสงส์ร้อยกับพันกับไปได้ขึ้นสวรรค์ไปนิพพานอะไรก็แต่เขาบอกเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่า <c oughs> มีสามเณรตอนนั้นเนี่ยมีครอบครัวครอบครหนึ่งเป็นครอบครัวที่ยากจนมาก เป็นครอบครัวที่กำพร้าพ่อเด็กคนนี้ทุกวันเด็กคนนี้จะไปหาฟืนกับแม่เพื่ อ, อฟืนไปขายพอได้ฟืนมาแล้วก็เอาไปขายทำานี้ทุกวันมีวันหนึ่งแม่เนี่ยหาฟืนแล้วเหนื่อยอยากจะนอนบอกว่าเดี๋ยวคุภักหน่อยมึงจะช่วยดูแลหน่อยก็เลยเดี๋ยวพักสักหน่อย พอนางนอนพักไปในช่วงที่นางนอนพักอยู่เอาหัวหนุนกองฟืงฟ้นอยู่เนี่ยสำเนินก็เป็นเด็กเนาะก็ออกไปเที่ยวออกป่าไปนู่นไปนี่บังเอิญไปเจอพระธุดงค์ปรากฏชายป่าก็เลยเข้าไปหาพระธุดงค์ไปกราบไปกราบถามห <c oughs> ลวงพ่อจะไปไหนไปมาปรากฏที่นี่จะไปดุสิตบาด ท, ที่ไหนอย่างไรเนี่ย พระธุดงค์ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยออกบวชเพราพ่อชีวิตเนี่ยมันสั้นจมะมามมยสนุกสนานทำมาหากินอยูอย่มันไม่ได้เดี๋ยวตายไปแล้วมันไม่มีบุญไปเกิดที่ดีกว่านี้ก็เลยม า, าเดินธุดงค์หรือบางทีอาจจะได้ความรู้ที่ดีสามารถทำลายกิเลสได้อาจจะไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกเพราะชีวิตนี่มันทุกข์ ตายไปแล้วก็ทุกข์ที่นี้ว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาตายไปก็ไปเกิดที่ดีไม่ทุกข์หรือบางทีหมดกิเลสก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกผู้ให้สำเนินฟังจนสำเนินอยากบวชจนเด็กคนนั้นอยากบวชแต่ยังไม่ได้เป็นสำเนินนะจนเด็กคนนั้นอยากบวชองั้นผมบวชได้ไหมได้เงี้งั้นไปหาผ้าเหลืองมาเด็กก็วิ่งเข้าไปในบ้านวิ่งกไปวัดบ้านไปขอพ้าเหลืองจากพระมาชุดหนึ่ง เรามาให้พระธุดงบวชให้พระธุดงก็บวชทีนี้หลังจากบวชแล้วก็นั่งภาวนากับพระธุดงค์ฝ่ายแม่ที่นอนหลับไปก็ตื่นขึ้นมาไม่เห็นลูกของตัวเองตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะในช่วงที่หลับไปฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยถูกยมทูตมาจับเอาไปคนหนึ่งชุดดําคนหนึ่งชุดขาวมาจับเอาไป แล้วก็เอาไปหายมพบาลยมพบาลก็ตรวจสอบว่านางคนนี้ได้เคยทําบุญทำผู้ศนรักษาศีลภาวนาให้ทานมาบ้างไหมปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนางคนนี้ไม่ได้เคยรักษาศีลภาวนาไม่ได้เคยให้ทานมาก่อนเลยยมพบาลก็ตัดสินไปลงอบายตกนรกงั้นก็โยมมาพูตก็นําไปไปโยนลงนรก ป้ากลัวว่าขณะโยนลงไปที่เปลวเพลิงแดงโลดอยู่เนี่ยพอโยนลงไปปั๊บป้ากลัว่าชายผ้าเหลืองลอยมาจากไหนไม่รู้ยดินมาจากทางอากาศนางด้วยความ ต, ตกใจกลัวน้องก็จับชายพ้าเหลืองจับชายผ้าเหลืองก็มาสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาตามหาลูกตัวเองตามไปตามมาไปเจอที่ไหนสํานินไปไหนไอเด็กคุณนั้นไปไหน อไปอบวชกับพระธุดงอ๋อนี่ถ้าสามเณรไม่ไปบวชนางก็ต้องตกนรกแน่นอนในช่วงที่กําลังฝันไปตกนรกเลยนะชายพ้าเหลืองของลูกที่บวชเนะป็นเนรไปดึงเอาไว้ให้พ้นนรกเขาก็เลยบอกว่าออบวชเปน็นสามเณยสามารถโปรดไม่ให้พ้นนรกได้จะตกนรกเรามารอดเลยใช่ไหมถ้าลูกคนนั้นไม่ไปบวชไปไงอวันนี้ยังไม่ได้เพิ่งเกิดเลยนะ่ะ อ, อยู่ในานรกเห็นไหมอันนี้สงแรงมากแม่ก็จะ พ่อแม่นีอ่อุ้มท้องเรามาในแปดเก้าเดือนนี่นหนักมากนะถ้าเธอไปบินธบาทเขาก็จะเอาจำลองให้เธอเนี่ยท้องมีท้องใช่ไหมมีไหมมีท้องไห ม, ม<า>เออนั่นแหละบาทนะเขาให้ให้ให้แทนคุณพ่อแม่ต้องได้อุ้มบาททุกวันทุกวันอะ่ะแม่เนี่ยหอบบาทหนักอย่างไรเราก็รู้สึกบินธบาทเขาใส่บาทมันก็หนักอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเป็นยังไง นึกถึงคุณแม่ไม่ตอนอุบัติะอ่านึกถึงคุณแม่นั่นเห็นไหมนี่เขาเรียวกว่าปลุกแม่ได้เราก็จะแม่ก็เห็นลูกบินทะบาทก็ดีใจดีใจว่าลูกได้บวชมาทําว่าสวดมนต์ด้วยใส่บาต ท, ทุกวันลักษณะนี้แม่ก็ได้บุญแม่ก็พ้นจากนรกละเพราะใจสบายใช่ไหมในช่วงที่ลูกบวชนี่แม่ไม่เคยโกรธเลยใช่ไหมไม่เคยทะเลาะ ก, กับพ่อเลยใช่ไหมพ้นนรกละหรือว่าแอบทะเลาะ ก, กันอยู่ จะให้บทจะให้บทโตแล้วจะให้ศึกสามเณรอยากศึกแม่ยังไม่อยากให้ศึกรอคงไม่เป็นเนาะอยากให้บทนี่เขาเรียกว่าโยมโปรดสามเณรปรดแม่ได้หลังจากนั้นมาสามเณรก็เลยไปบอกแม่บอกว่าแม่ที่เราเกิดมายากจนเนี่ยเพราะว่าชาติก่อนชาติแล้วหลวงพ่อท่านสอนบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เคยให้ทานรักษาศีลมาเลยมันถึงจนขนาดนี้ เพราะไม่เคยให้มันก็จะไม่ได้อะไรคนที่ไม่ให้ก็จะไม่ได้คนที่ให้เท่านั้นจะได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งได้ก็ยิ่งให้เนี่ยเราก็เลยมามีโอกาสได้ให้บินทบาทมาเอาไปให้ใครบ้างหรือเปล่าสำเนะินเนี่ยไปให้ใครบ้างวันนี้เห็นว่าไปให้ของนอีง่แหละเอาไปให้ใครฮะเออนั่นแหละสำเนะินเอาอะไรไปให้ฮะ น้ำมันอาหารไปให้ไหมอ๋อไม่มีท่าน่าจะไปกินอะไรเนะี่ยมิตรไปกินแปเพืช น, น้ำมันไม่ไหวนะ <laughs> น้ำมันพืช <laughs> เอาเงินเอาเงินไปซื้อ เ, อาเนาะเอนอนะใช้งเงินเนี่ยคือแล้วก็เลยสมณีนก็เลยชวนแม่ให้ทานแม่ก็เลยปรุงอาหารใส่บาตรในวันรุ่งขึ้นจากนั้นมาสํามณพระทุดรงก็สอนอยู่แม่ของสํานมณทุกวันทุกวันว่า คนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเนี่ยก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องให้ทานรักษาศีลก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าคนที่ไปเกิดในอใบยภูมิต่างๆเนี่ยเพราะว่าไปผิดศีลข้อหนึ่งพวกผิดศีลข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งไว้ไงแปลว่าิศีลข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมทำไมต้องเว้นนะ่ะ เพราะงั <Poss> ้นคนที <currency> compris, ่เขาเรากินหมูกินไก่ไม่ได้สมเด็จกินหมูกินไก่ไหมคนกินก็เหมือนคนฆ่าใช่ไหมอ๋อทำไมถ้าเราไม่ฆ่าเขาเรามเขาไม่ฆ่าเราจะได้กินไงแต่เราไม่ได้ไปสังให้เขาฆ่าอ๋อแต่ถ้าไม่มีคนฆาก็ไม่มีคนกินถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าคนฆ่ากัคนกินก็ต้องแบ่งคนละครึ่งใช่ไหมอ่านั่นเราก็กินแล้วก็บาปด้วยทาไงถึงจะทาไงถึงจะอ่ากินแล้วจะไม่บาป หมายความว่าเอาว่าค่าก็ค่ า, าแต่เรากินแต่กินแล้วไม่ไม่ได้รับส่วนบาปจากที่กินด้วยเนี่ยกินอย่างไรแหงไม่ตาแหงไม่ตาสัตว์มันจะรู้เรื่องไหมมัน <c oughs> คงไม่รู้หรอกท่านบอกว่าให้พิจารณาใช่ไหมก่อนเจริญพิจารณาว่าไงยะธาปัจยยังปวัตตมานางดาทุมัตเตมิเวตั้งใช่ไหมก็อนจะถ่ายนพิจารณายะธาปัจยยางขณะฉันพิจารณาอะไร ปฏิสั่งข้ายโยนีโซโบินทะปาทางปฏิเสวามีนะวา่าเรายอมพิจนารณายเายอะแอบขาดเราฉันมีบาตพอฉันแล้วเราลืมพิจารณาท่านให้พิจารณาใหม่อีกที่เราสวดไป็นพิอกีสวดอะไรนี่ในบทพิจารณ า, ป, จจาประจำวันประจำวับินทะบาตรใดที่เราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ต้องเอามาพิจารณาใหม่ใช่ไหมที่เราสวดไปเมื่อกี้บินทะบาตรใดที่เราที่พระพุทธเจ้าฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้บินทะบาตรนั้นเป็นไปเพื่ออ่า ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันใช่มหมเกิดพลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพื่ออะไรกินไปเพื่ออะไรเพื่อความอยู่ได้ของกายนี้เพื่อบำบัดความหิวเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายและเพื่ออนุเคราะห์กัการไปพุทธภูมจันทร์ใช่ไหมแต่ถ้ากินด้วยความมาเด็อร่อยสนุกสนานแล้วไม่พิจารณาเนี่ยเป็นไงเป็นบาปไหม เป็นบาปนะเพราะงั้ น, นต้องพิจารณาด้วยนะอย่าลืมทุกทุกวันถ้าหากว่าโอเคเขาฆ่าไปแต่เรากินแบบไม่เป็นบาปก็กินแล้วพิจารณาพิจารณาแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้สัตว์ที่ตายไปะนะเพราะฉนั้นไม่ให้ฆ่าสัตว์พ่อเลยสัตว์มีวิญญาณไหมมีนะยุงมีวิญญาณไหมมีเพราะมันก็มาต้องการกินอย่างเราใช่ไหมมันก็หิวอย่างเราเพราะนั้นมันมาทํามาหากิน ขอเขาเจว่าทํำหากินขอบิณฑบาตด้วยสังโยดนหนึ่งเราใจร้ายมากสังหารเลยผ <c oughs> ัวโทษนี่หนักมากต้องถูกสังหารเลยนะขนาดเข้ามาถ้าสมมุติเราไปทําำหากินเราเขาสังหารเราบังเราเป็นไงเราพอใจไหมคงไม่พอใจอเนาะอยู่มันก็คงไม่พอใจวันเงนเลยเราสังหารมันเนี่ยเด็ดวิ ญ, ญญาณมันเฉยเลยเนะี่ยตั้งแต่บทนี้มืาอนี่สังหารอยู่ไปกี่ตัวแล้วฮะ <c oughs> อะไรนะ เองด้วยเองมันมันพากัดแล้วก็ปัดปไปแล้วมันก็อันนก็โดนมือแล้วเลเวลคมันเกาะคือบางตัวครับมันไม่กลัวเราอ่าคือพกุเนี่ยถึงถึงถ้าอยากแนยังไงมันก็นิ่งเดิรู้ว่าเราแค่ขยาบแขนไปมันก็คงคิดว่าเราแค่ขยับร่างกายหนดอ่าครับเราทำไงก็ไม่หนก็คือเหมือนกับแค่ปัดไปแล้วมันก็โดแล้วก็มง เออเลยจะปัดปัดแมลงหน่อยใช่ไหมเออเนี่ยโดนได้ใช่ไหมเรก็บอกว่าเราเราไม่ได้ตกยุงเราไอตกไอที่คันเกาที่คันได่เกาแรงไปหน่อยเงี้ยนะโอ้นี่ยเรียกว่าเราเขาทํามาหากินไปสังหารเขารูนแรงไปหน่อยนะ เด็ดวิญญาณเขาทิ้งเฉยนะแต่ไม่เป็นไรของพ่อก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันถ้าเขาถ้าเขากัดเราเราไปตีเขาเที่ยวต่อไปเขาก็กัดอีกเขาก็แก้คืนเพราะฉะนั้นคนที่ตกยุงบ่อยๆก็ถูกยุงกัดบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่ตกมันเลยมันก็ต่อไปมันก็จะไม่กัดเรานะแล้วถ้าเราปัดแล้วมันมากัดใหม่อะคะปัดแล้วมากัดใหม่เราก็ต้องปัดมันใหม่แถ้ามันมากัดมาอีกก็ปัดอีกปัดมันจนตายแหละ <laughs> เราไม่ได้ปัดเราไม่ได้ปัดยุงนะเราปัดเอาตัวตัวที่เอาลบกวนออกเฉยๆแล้วเจตนาว่าปัดสิ่งที่รบกวนออกนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ห้ามฆ่าสัตว์เพื่อว่ามันก็มีวิญญาณเราก็มีวิญ ญ, ญาณอสัตว์ทุกตัวทุวนก็เวลาเวลาจะจบมางวันทีมันก็กลัวมันก็บินหนีใช่ไหมแสดงว่ามันกลัวตายใช่ไหมถ้าแม่จะตบเราได้ยังไงเราเราก็วิ่งหนีเหมือนกัน <laughs> <laughs> ถายุงไมหนี้ก็เราไม่ได้ตบเราไม่ได้ตบยุงแต่ตบขาเฉยตบขาตบแขนเล่นมันบางเอื่นไปถูกอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีเจตนาก็นะ บ, บาปก็ไม่น้อยมันกัดเราก็คันเราคันนั่นแหละเป็นบาปแล้วบางทีเราก็เดินไปเคยเหยียบน้ำไหมเออเหยียบนั่ น, นแหละเราก็เป็นบาปเพราะว่าเราเคยไปตบยุงมาเคยไปเหยียบเศษแก้วเศษน้ําเคยไปสะดุดตอสะดุดหินไหมเออนั่นนั่นแหละเราเพราะเราเคยไปตบ อยู่มันก็ได้รับบาปแบบแบบไม่เจตนาเหมือนกันนะอันนี้ก็พอจบสามวันแล้วนะก็เทศอย่างนี้อ่าม่กินงพอเทศถึงไหนน่สามวันสามวันเมื <S <S <S awesome> <S <S ่อกี้บวชได้สามวันแล้วทาไงนะเทศให้ยมยมฟังใช่ไหมยมฟังก็ปรากฏว่าหลวงพ่อบวชเป็นสเณีนแล้วก็เข้ากรรมได้สามวันยุงไม่ต่ายไรไม่ตอมดขึ้นทั้งตัวก็ปล่อยมันไปค่อยเป่ามันไป มันก็แผ่เมตตาให้มันมันก็ไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตกฉะนั้นในการบวชเป็นสำเนินชื่อว่าโปรดแม่ขึ้นจากนรกได้จะไปโปรดพ่อไม่ได้พ่ออะไรเพราะพ่อเนี่ยไม่ค่อยเชื่อลูกแต่แม่เนี่เชื่อลูกนะใช่ไหมแต่ถ้าเอาพ่อคนไหนเชื่อเนี่ยแสดง จ, จริงในะสำเนินเห็นทานาไว้องดูพ่อเนี่ยถ้าหากไปสอนแม่พ่อแม่เนี่แม่เป็นคนอัธยาศัยใจคออ่อนโยนใช่ไหม ก็รับง่ายสำเนินสอนแม่ก็ฟังแต่ไปสอนพ่อแกอยังไปสอนข้าข้าเกิดม า, าก่อนแกเอาน้ำร้นำอนก่อนแกเลี้ยงแกมาแกไม่ต้องไปสอนเราท่านรู้หมดแล้วเหมนแต่อดไม่ได้เนาะอดไม่ได้อนั้นก็เรียกวปวดไม่ได้แต่ถ้าหาพ่อคนไหนเชื่อถ้าสำเนินสอนนะพ่อคนไหนเชื่อก็โปรดพ่อได้ด้วยสาเหตุที่โปรดไม่ได้คือสอนไม่ได้แต่ถ้าหาแม่เหมือนกันถ้าสำเนินไปแนะนําแม่มาปฏิบัติถ้าแม่มาก็จะนปรดแม่ได้ถ้าแม่ไม่มาแม่ไม่เอาด้วยนี่ปรดแม่ได้ไหม ไม่ได้ไปบอกแม่บ้างเลยยังสำเนียไปบอกแม่ให้มาบัสอ๋ออยู่หลังนั่นอ๋อเหรอเป็นไงอ๋อเลิกไปพาแม่ไปเดียวกันบ้างเลอยังก่อนที่จะสึกไปพาแม่ยกมือสร้างจังหวะนะแม่พาทำแล้วจมูกแม่ไม่พาออเลิกแม่พาเราแสดงแม่ปวดเราเราไม่ได้ปวดแม่นะก็นะอันนี้ก็คุยกันเรื่องอันนี้สงการบทเน้นเอาแค่นี้เนาะ ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วตั้งใจของลูกในลูก